ช่วงการคุยธรรมะที่เราจะวันในแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลาที่ซึ่งสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนี้ อภิธรรมอีกพวกบ้างตามคัมภีร์ต่างๆบ้างและซึ่งทั้งหมดทั้ง เนี่ยประเด็นที่เราสงสัยไม่เข้าใจสิ่งใดต้องการศึกษาให้ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะกลับไปหาจุดที่เป็นเอ่อแม่บทเป็นมาติกาตรงนี้นั่นก็ ซึ่งนี้ก็ได้ให้ฟังบทที่เกี่ยวข้องกับ น. นาานะ 5 เล่มด้วยกันนั้นตำรา 5 เล่มที่ท่านเอามานี่ก็เอ่อดูจากพระไตรปิฎกภาษา แล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาคือไม่ได้ยกต่างๆบางทียาวก็มีสั้นก็มีแต่แต่ว่าประโยคหรือว่าส่วนที่รวมเป็นหนังสือ ในอยู่ในหนังสือเล่มเดียวซึ่งทําให้มี 2 นั่นก็ 2 เล่ม นั่นก็คืออริยสัจภาคต้นอริยสัจภาคปลายอริยสัจนี้ 2 เล่มนี้ออกมาท่านก็ได้หลาย ตามปุจฉาวจนะที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกเล 5 เล่มด้วยกันนะ นะปฏิจาสมบาทจากพระโอษฐ์คุ้มซับจากพระโอษฐ์ทั้งหมด 5 เล่มนี้แล้วเราก็เอาเรื่องราวแล้วก็ตัดเป็นเรื่องๆเนี่ยไม่ได้เอามาทั้งสเต็มสูตรแต่บางทีมันยาวเกินไปแต่ว่าๆด้วย แล้วก็แบ่งทั้งประสูติด้วยเอาเฉพาะเรื่องเหล่านั้นในเรื่องที่กับหมวดหมู่ตรงๆเหล่านี้ เหมือนอย่างพวกที่ช่างหม้อทํากับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่นะหม้อฟังเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้หม้อหม้อดินแล้ว เอ่อช่างหม้อเนี่ยเขาจะมีการเตรียมดินนั่นคือเอาดินไม่ใช่เอาดินทั่วๆไป นะว่าทําจิตให้มันมันอ่อนโยนให้มันนุ่มนวลเหมือนกับช่างทองเค้าทําบริกรรมกับทองดิบเหมือนกับช่างหม้อเค้าทําบริกรรม แต่เหมือนกระบวนการที่พระเจ้าสอนแล้วคอยสนับสนุนสิ่งที่ดีให้ทําเป็นอย่างนี้ก็มี อะไรกรรมอันนี้เนี่ยคือทําให้มันเนียนให้มันละเอียดให้มันนุ่มเป็นจิตที่อ่อน น้ําดินจะเหนียวจะมาขึ้นรูปเป็นหม้อจะสร้างสรรค์งานปั้นแต่งออกมาได้ไม่ใช่เป็นดินที่อ่อนปวกเปียกไม่ใช่แต่ต้องเหนียวจิตที่เราต้องทําที น้ำหม้อเปียกก็คือหม้อที่ยังดำๆอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนและช่างหม้อก็ต้องเอาไปอบนําอบผ่านความร้อนแล้วนําผ่านความร้อนหลายพันองศาเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงออกมาก็ คือช่างย่อตัวอย่างอุปมาอุปไมยตรงเนี้ยเหมือนกับหม้อเปียกให้มันนุ่มอะไรต่างๆนั้นเราก็จาก พุทธเจ้าก็จึงบอกว่าจะไม่ทําอย่างตนุถนอมเหมือนอย่างตอนที่ทํากับหม้อเปียกนะถ้าเราดู นะผลของกุศลธรรมเป็นอย่างนี้วิธีละมุนละม่อมนะใช้วิธีที่รุนแรงนะก็บอกว่าอ้าวอาสกุศลธรรมนะ 2 วิธีรวมกันนะละมุนละไมบ้างละมุนละม่อมบ้าง 2 ประเภทที่ ช่างหม้อเวลาเขาทําหม้อหม้อเปียกเนี่ยเขาจะทนอดทนนะพอหม้อ เราช่วยผัสสะที่ไม่น่าพอใจระบบ การบ่มตรงนี้ก็คือการบ่มบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาบ่มๆบ่มเข้า 8 นะบ่มจิตอย่างนี้จิตของเราสุกออกเนี่ยแม่มันใช้งานได้นะ นะ, นะ, 4 ขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นพระ นะ, 4 ขั้นนี้ก็เป็นเรียกว่า นะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดนั้นจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด เพราะใครมีมักผลเป็นแก่นสารนองนีบัวใครมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้ท่านฟัง ในแต่ไรคบกับบรรดิษฐชนิดนี้แล้วจะมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยนะเราคอยชี้โทษนึกเหมือนว่ามีคนอื่นมาชี้โทษเราเออ ก็จะเป็นประโยชน์เวลาคนหนึ่งเค้าบอกเราเรื่องไม่ดีต่าง และเพื่อนๆ